และอัฏฐะแห่งมรรคสัตย์ก็มีสี่ประการเหมือนกันนิญญานัทโถคือมีอัฏฐาว่านำตนออกจากภพประการหนึ่งเอตวัฏโถมีอัฏฐาว่าเป็นเหตุประการหนึ่งนิทัสนัทโถมีอัฏฐาว่าสำแดงออกประการหนึ่งอธิปัฏย์ทโถ มีอัตถาว่าเป็นใหญ่ประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันอัตถะเป็นปฐมคือนิญญาณทัทโหนั้นเป็นลักษณะแห่งมรรคสัตว์แทสมเด็จพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นใจความว่าบุคคลอันเป็นสัตว์บุรุษปรารถนาจะข้ามซึ่งมหาสมุทกล่าวคือวัตตาทรงสารนั้น จะข้ามได้อาศัยแก่มัคคสัตต์มัคคสัตต์นี้เป็นสำเภาธรรมอันล้ำเลิศใหญ่หลวงมิได้รู้เอียงรู้โครงมิได้รู้เพียบรู้จมมิได้รู้แตกรู้ทําลายเลยเป็นสำเพออันมั่นคงแน่นหนามิได้จะลาจนทนทานยิ่งนักถึงลมพายุจะพัดกล้าสักเท่าใดเท่าใดก็มิได้หวาดไหวสะเทือนสะท้าน สัมเพลำใดจะปูนปานเปรียบเทียบด้วยสัมเภาคือมรรคสัตย์นี้ไม่มีเลยอาศัยว่าสัมเภาทั้งปวงนั้นมีอาจจะข้ามโลกิยะสมุทรได้อันจะข้ามโลกิยะสมุทรได้นั้นแต่สัมเภามรรคสัตย์นั้นสิ่งเดียวโลกิยะสมุทรนี้มีน้ํากล่าวคือปริเทวะทุกข์และโทมัสทุกและอุปายาสทุกข ลักษณะที่ร้องไห้ร่ำไรขัดเนื้อแค้นใจโศกาอาัยให้สะอื้นนั้นจัดเป็นน้ำในโลกยาสมุทรโลกยาสมุทรประกอบด้วยระลอกอันใหญ่หลวงมะฮึมากล่าวคือชาติและชราพยาธิโมรณะอาเกียนด้วยผีเสื้อน้ำและปลาร้ายทั้งหลายเป็นนั้นมากกว่ามากกล่าวคือโลภโทสะโมหะและมัจฉริยธรรม โลกิยาสมุทนี้ลึกล้ำคัมภีรภาพยิ่งนักสำเพออื่นนอกจากมรคศษัตร์แล้วมิอาจจะข้ามได้ขืนข้ามไปก็จะเป็นอันตรายแตกทำลายออกด้วยระลอกและคลื่นไม่ฝืนได้เสาและใบก็จะหักกระเด็นไปไม่ทนทานฝูงคนก็จะพิหน้าชิบหายเป็นพักษาหารแห่งพานมัชชาชาติอันร้กาศหยาบชา้า ทะเลใดจะมีลมพายุกล้าเหมือนทะเลโล ก, กีนี้หาไม่ได้สัมเพออันอุดมกล่าวคือมรรคสัตนี่แหละอาจจะขนประชุมชนให้ข้ามพ้นทะเลโลกนี้ได้สมเด็จพระมหากรุณาปรารถนาจะให้เห็นใจความชนนี้จึงแสดงอัถคือนิญญานัทโธเป็นอัถะแห่งมรรคสัตเป็นปฐมเป็นลักษณะแห่งมรรคสัตแท้ และอัตทะที่คำรบสองคือเหตุวัโธนั้นมีอัฐถาทิบายตลอดถึงสมุทัยสัตว์จะให้เห็นใจความว่าบุคคลอันจะข้ามไปให้พ้นจากทะเลโลกีและข้ามไปไม่ได้นั้นเพราะมีสันดานอากูลมูลมองอยู่ด้วยมูลเหตุคือตันหาตันหายังขมขีย่ำยีจิตตสันดานอยู่เป็นนิจการ หาปัญญาที่จะพิจารณาโทษแห่งตันหานั้นไม่ได้อุปาทานนั้นเข้าหนุนให้กําลังแก่ตันหาตันหานั้นมีกําลังกล้าหาองค์ปัญญาจะหักเจรานลงมิได้ไม่หาสำเพอคือมรคสัตย์จึงมิอาจจะข้ามทะเลโลเกีนี้ได้ถ้ามีองค์ปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิในสันดานพิจารณาเห็นว่า ตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดภัยเกิดอุปัทหะอันตรายต่างๆเห็นโทษแห่งตัญหาชนิดแล้วและอุตส่าห์ปฏิบัติตามทางแห่งมรรคสัตว์หาสำเภาคือมรรคสัตว์ได้แล้วก็จะรื้อจะขนจะข้ามอัตมะให้พ้นจากโลกีสมุดได้มูลเหตุคือตัญหาจะข่มขี่ย่ำยีมิได้นั้นก็อาศัยแก่ปฏิบัติตามมรรคสัตว์ สมเด็จพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นความชัดตลอดถึงสมุทัยศาสตร์ตรชะนี้จึงแสดงอัฏฐะคือเหตวัฏโธเป็นอัฏฐะแห่งมรรคศัตร์คำรบสองและอัฏฐะอันเป็นคำรบสามคือนิทัสนะโธนั้นมีอัฏฐาที่บายตลอดถึงนิโรธศัสตร์จะให้เห็นใจความชัดว่า มัคคสตัตนี้เป็นอุบายที่จะแสดงให้เห็นประจักแจ้งนิโรธาสตัตว์เมื่อปฏิบัติตามมัคคสัตต์แล้วก็อาจสามารถที่จะได้พบได้เห็นซึ่งนิโรธาสัตว์คือพระนิพพานนี้เป็นแท้พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นใจความตลอดถึงนิโรธาสตัตชนี้จึงแสดงอัฏะคือนิทัสนะโถเป็นอัฏะแห่งมัคคสัต์เป็นคำรบสาม และอัฏฐะเป็นคำรวบสี่คืออธิปัฏฐโถนั้นมีอัฏธฐธาที่บายตลอดถึงทุกขะอริยสัจประสงค์จะให้เห็นใจความชัดว่ามรรคสั์นี้เป็นใหญ่ในที่จะระงับทุกทั้งปวงกองทุกทั้งปวงจะดับจะสูญนั้นอาศัยแก่ปฏิบัติตามตรมรรคสั์นี้เขารู้ว่านาดุ ด, ดังว่าโอสดและมนอันวิเศษ สำหรับที่จะรำงับพิษถ้ามิฉนั้นประดุดท่อทานน้ำฝนอันตกลงเป็นอันดีและยังพืชข้าวกล้าให้มีผลบริบูรณ์ให้ปราศจากชาตกาภัยมรคสัตตนี้เป็นใหญ่ในที่จะให้รำงับทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นเป็นประธานสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ปรารถนาจะให้เห็นใจความตลอด ถึงทุกข์คอาริยสัจชนี้จึงแสดงอัฏฐะคืออธิปัตยัตโถเป็นอัฏฐะแห่งมรรคษัตร์เป็นคำรบสีเข้ากันจึงเป็นอัฏฐะแห่งมรรคษัตริสี่ประการสําแดงมาชนี้ยุติด้วยพระคถ า, าสาทกแปลความว่าเอกปะทังอันว่าบทอันหนึ่ง ปัทมังที่แรกสักลักษณงเป็นลักษณะแห่งตนปันดิโตอันว่านักปราชวินาเว้นแล้วปัทเมนะปเทนะจากบทที่แรกวิพัตเชพึงจำแนกออกสัจจานิซึ่งอริยสัต์ทั้งหลายสามนิคือสมุทยสัต์และมักคสัต์และนิโรธัสั์ ทุนีมาคือทุกขสัตต์และนิโรธศสัตต์และมรรคสัตต์สมทัทุคือสมุทยสัตต์และมรรคสัตต์และทุกขสัตต์สนิทุคือสมุทยสัตต์และนิโรธศสัตต์และทุกขสัตต์นิทัสนโตเหตุแสดงออกทุติยาปัสสะซึ่งบทอันเป็นคำรบสองเป็นต้นกามโตโดยลำดับ อธิบายว่าบทละอันละอันที่เป็นประถมนั้นคือปีละนัทโหนั้นบทหนึ่งอายุหณัทโหนั้นบทหนึ่งนิสรณโทโหนั้นบทหนึ่งนิญญาณทโหนั้นบทหนึ่งทั้งสี่บทนี้ได้ชื่อว่าบทเป็นปรถมเหตุว่าเป็นเบื้องต้นในที่แสดงอัฏฐะแห่งพระจตุราริยสัจบททั้งสี่บทนี้ ได้ชื่อว่าส ก, กะลักคณะเพราะเหตุว่าปีรันนทโนนั้นแสดงลักษณะแห่งทุกขะอริยสัจเป็นแท้ในบทอายุหณัทโหนั้นเล่าก็แสดงลักษณะแห่งสมุทยสัจเป็นแท้ในบทนิสวรณโหนั้นเล่าก็แสดงอัฏฐะแห่งนิโรธสัจเป็นแท้ ในบทนิน ญ, ญานัทโหนั้นก็แสดงอัฏฐะแห่งมักเป็นแท้เหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสกะลักษณะและขอซึ่งว่าให้นักปราดเว้นเสียซึ่งบทเป็นปฐมและให้จำแนกแจกออกซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่แสดงบทอันเป็นคำรบสองคำรบสามคำรบสีบ่ตามลำดับตามลำดับ คือจะให้เห็นอธิบายว่าในทุกขะอริยศาสตร์นั้นมีบทสังขตัตโถเป็นบทคารลบสองมีบทสันตาปาโธเป็นคำรลบสามมีบทวิปรินามัตโธเป็นบทคารลบสและบทเบื้องต้นคือปีรนธโถที่แสดงลักษณะแห่งทุกขอริยศัสตร์เป็นแท้นั้นให้ละให้เว้นเสียอย่าเอามานับเข้า ให้นับแต่บทคำรบสองคำรบสามคำรบสอักขระทั้งสคือสมณิที่มีในคถาแปลออกว่าสมุทยศัตร์มักคสัตนิโรธศัสตร์นั้นนักปราดพึงรู้ว่าสักอักขระนั้นเล็งเอาซึ่งบทสังขัดตัดโถอันเป็นบทคำรบสอง และมะอัคระนั้นเล่งเอาซึ่งบทสันตาปาโธอันเป็นบทคำรบสามนิอัคระนั้นเล่งเอาซึ่งบทวิปรินามัตโธอันเป็นบทคำรบสี่แสดงอัถานที่บายว่าบทสังขตัโธนั้นเป็นอัถะาแห่งทุกขอริยสัจเป็นคำรบสองก็จริง แต่ถ้าว่ามีข้อความตลอดถึงสมุทธยศัตว์บทสันตาปัทโทนั้นเล่าเป็นอัฏฐะแห่งทุกขะอริยสัตร์เป็นคำรบสามก็จริงแต่ถ้าว่ามีข้อความตลอดถึงมัรคสัตย์บทวิปริณามัทโทนั้นเล่าเป็นอัฏฐะแห่งทุกขะอริยศัตว์เป็นคำรบสีก็จริงแต่ถ้าว่ามีข้อความตลอดถึงนิโรธศัตว์ และอักขระทั้งสคือทุนิมานั้นเล่งกันกับบทเป็นคำรบสองครบสามครบสซึ่งมีในสมุดทยษฎีศัพท์อักขระทั้งสคือสมัทุนั้นเล่งกันกับบทเป็นคำรบสองคำรบสามคารบสซึ่งมีในนิโรธสศัตท์อักขระทั้งสคือสานิทุนันเล่า ก็เลงกันกับบทคำรบสองคำรบสามคำรบสี่ซึ่งมีในมัคคษัตย์อักขระตัวต้นเลงบทสองอักขระตัวกลางเลงบทสาอักขระตัวปลายเลงบทสีเ่เหมือนกันแสดงอัธาที่บายนั้นตราบเท่าถึงกันพึงรู้ตามนิยะที่แสดงมานั้นเถิด